ความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฝังทั้ ง, งหล า, งาาลายสิ่งธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอมักษัตริย์ในตอนที่ว่าด้วยสัจจกปร ะ, ะคือหมวดของอริยสัจอริยสัจที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตร ส่งอธิบายขยายความในแต่ละข้อโดยพิสดารพอสมควรเพราะในมักกสั์แต่ละข้อก็จะส่งขยายกรอบขอบข่ายความหมายว่าหมายถึงอะไรเราก็ได้พูดมาถึงทั้งหมดก็มีห้ามักด้วยกัน วันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของจิตสิกขาคือสมาพยามาัตสมาสติแล้วก็สมาธิแต่เนื่องจากเราเริ่มเรื่องนี้สืบต่อกันมาหลายวันแต่ก่อนที่จะก้าวต่อไปก็จะกลับมาทบทวนถึงก็เรียกประกิจคือหน้าที่ของอริยสัต์แต่ละข้อมันก็เกิดขึ้นเนี่ยาทำหน้าที่อะไร ในที่นี้ที่จริงท่านจำแนกแสดงไว้ในดีกาพระธรรมจักรวรรนสูตรโดยอธิบายเป็นรูปของโสลสกิจคือกิจส6อย่างในริยสัตว์แต่ละข้อถึงหมายความว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็จะมีอยู่สี่อย่างในทุกสัตย์นั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจหรือหน้าที่สประการ ประการแรกก็คือเบียดเบียนก็่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความร้านร้อนก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแ ล, แ, ม แ, ามแล้วก็แม้แต่เกิดความสุขนะครับเจาใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระหานแม่แต่ความสุขเองก็ถือว่าเป็นความทุกข์ที่ลด พราะเมื่อเขาเขาเกิดขึ้นเขาก็ทําหน้าที่เบียดเบียนตัวทุกข์ให้ลดลงตัวทุกข์ประเกิดขึ้นก็ทําหน้าที่เบียนความสุขให้ลดลงเขาต่อไปก็คืออันปัจจัยประชุมกันเข้าปรุงแต่งทั้งที่เป็นส่วนรูปธรรมแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นนามธรรมถ้าเราลองสังเกต ด, ดูจะเห็นว่า มันก็เป็นทั้งธรรมนิยามเป็นทั้งอุตุนิยามเป็นทั้งพืชนิยามในขณะเดียวกันก็เป็นจิตนิยามแล้วก็กรรมนิยามเพราะว่ามันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากกิเลสสืบเนื่องมาจากตัณหาก็ให้เกิดการกระทําการพูดการคิดไปตามแรงผลักดันของกิเลส ที่มีชื่อต่างๆที่นีการประชุมปรุงแต่งเนี่ยเราจะเห็นว่าในชีวิตของเราแม้แต่เรื่องดีๆก็อาศัยปัจจัยประชุมปรุงแต่งแต่เพราะยังสืบเนื่องมาจากตันหาท่านก็ยังถือว่าเป็นทุกข์อยู่แล้วก็ข้อต่อไปก็คือมีความร้าเรอนตรงนี้ก็เน้นไปที่ส่วนของทุกขเวทนาเป็นละ ก็อย่างที่บอกว่าชีวิตเราก็เป็นก้อนของทุกข์ก็เรียกว่าทุกขะทุกหรือว่าทุกขกะขันก็หมายความมาก้อนเป็นกองเป็นกลุ่มเป็นบทสรุปอยู่ที่คําว่าทุกข์แต่ทั้งหมดเนี่ยจะสุกตตามจะทุกตะตามไม่จะทุกไม่จะสุกตตามก็จะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย เราจะเห็นลักษณะของมุนวนอยู่ในในลักษณะทั้งสี่ประการเนี่ยลักษณะทั้งสี่ประการบางทีก็ปรากฏ ร, ร่วมอยู่ในสิ่งเดียวกันเป็นการมองคือตามปกติเนี่ยมันใกล้ๆกับโลกกลมเนี่ยฮะก็ไม่ใช่คกล้ๆเกิดโลกมันกลมอะคือถ้าเรามองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยจะไม่ชัดเจนในเรื่องเหล่านั้น ความจริงของโลกก็คือมันกรมว่าจะเข้าใจโลกก็ต้องมองให้เห็นทุกมุมของโลกไอตัวทุกข์กษัตริย์ที่จริงก็คือโลกคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมีการแปรปวดมีการเบียดเบียนแล้วก็มีความร้าร้อนจนในสายตาของท่านที่เข้าถึงความสมบูรณ์ของสัจจะ ท่นมองเห็นว่าในแง่งความเป็นจริงเราทุกท่านนั้นเกิดขึ้นทุกท่านนั้นตั้งอยู่ทุกท่านนั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับนี่ในส่วนของสมุทัยอริยสัจเนี่ยมันจะมีกิจอยู่สี่อย่างซึ่งเราต้องเข้าใจว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมันทําหน้าที่สี่อย่างอย่างหนึ่งก็คือให้เกิดกองทุกข์ขึ้นในรูปแบบต่างๆ อย่างกองทุกข์คือชีวิตของเราเนี่เกิดขึ้นจากอาวิชช า, าสังขารแล้วก็วิญญาตก็กลายเป็นนามรูปก็สรุปแล้วก็กองทุกข์ก็เกิดขึ้นมาจากจุดตรงนี้ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จีเราเกิดมาจากปังหาถ้าเราลดปัญหาเนี่ความทุกข์มันจะลดเราลดโทสะความทุกข์มันจะลดลดโลภะความทุกข์มันจะลดลดราคะความทุกข์มันจะลด แต่ว่ามัน่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสทุกชนิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกมากทุกน้อยก็แล้วแต่แต่เป็นเหตุให้เกิดสุขไม่ได้แต่ข้อสำคัญว่ามันเป็นพูดถึงขณะจิตประทึงจุดหนึ่งรเราเห็นว่าเป็นขณะอยาก็ยกตัวอย่างว่าเราอาศัยตัณหาเพื่อละอาศัยตัณหาอ า, อาศัยความโลภเพื่อลักความโลภเนี่ย พวกนี้บางทีมันก็เป็นญาณผานะแต่ตอนจะถึงจริงๆเนี่ยมันต้องดับพวกนี้ไปก่อนถ้ากิเลสยังอยู่มันก็ถึงความสุขไม่ได้หรือบรรลุนิโรธไม่ได้เราแสดงว่าานะของเขาก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ในขณะเดียวกันก็ประกอบคือขังสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์เวลาใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เราก็หมุนวนอยู่อย่างเี้ย เปลีนวาตายเกิดกิเลสกรรมวิบากก็มุนบนในกระบวนการของปฏิยาการหรือว่ากระบวนการของวัตฏะทั้งสามประการแล้วก็ท่านเน้นย้ําว่าขังไว้ในเรือนจําคือสังสารทุกข์เราก็เหมือนกับติดคุกก็สูญเสียความอิสระในส่วนตัวเอง ต้องถูกปราสรัยสืบสายไปด้วยแรงดันของกิเลสประเภทต่างๆแต่ทีนี้มีโรัฐสัตว์ก็เกิดขึ้นก็ก็ทําหน้าที่สอย่างเหมือนกันทีนี้การเรียงเนี่ยมันก็แล้วแต่ท่านจะเรียงคือเรียงอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยก็ต้องสังเกตว่าไม่ได้แปลกอะไรคืออย่าไปติดใจลําดับการเรียงมันก็คล้ายๆกับธรรมะข้ออื่นน่ะ เวลาการเรียงมันก็ต้องเรียงอ่ะต้องเรียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เวลาเกิดเนี่ยอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเราก็ไม่รู้มันก็แล้วแต่ยังในอิทธิบาทเนี่ยคือเราดูคล้ายๆกับชันทะจะเกิดก่อนแต่ถ้ามองให้ซึ้งเราจะเห็นว่าวิมังสาเกิดก่อนมันต้องผ่านการการั่นกรองการพิิจพิจารณาการตรวจสอบการเทียบเคียงการสอบทานแต่ก่อนจึงเกิดความพอใจ และในขณะที่พอใจเนี่ยความมุ่งมั่นอาจจะเกิดก่อนความเพียรหรือความเพียรจะเกิดก่อนความมุ่งมั่นแต่ว่าทั้งหมดมันก็เป็นปัจจัยของกันรละกันกุวิมังสาก็จะกํากับควบคุมมาตั้งแต่ว่าอะไรควรพอใจไม่ควรพอใจนะควรจะใช้ความเพียรพยายามอย่างไงจิตใจควรจะมุ่งมั่นอย่างไรเราก็กํากับควบคุมกันไปท่านบอกว่า พรัตถว่าให้ออกจากอุปธิอุปธิเนี่ยเป็นชื่อหลายๆชื่อแล้วก็อยู่ในกลุ่มของทุกขสัตว์กับมรรคสัต์อาจจะหมายถึงกิเลสอุปธิอุปธิคือกิเลสสังขารูปธิอุปธิคือสังขารแล้วกาโมปธิอุปธิคือกาลแล้วก็ ขันธุปฏิอุปติคือขันธ์อะไรก็ก็เยอะนะคือคือแล้วแต่จะหมายคือแต่สรุปแล้วนะจับประเด็ดนได้ย่างนะเพราะว่านิโรธเนี่ยมันต้องออกจากอุปัฏฐิบรรุปัิจึงเป็นเรื่องของกิเลสกับความทุกข์แล้วท่านจะใช้ในฐานะอะไรก็แล้วแต่คือเราจะพบชื่อที่แตกต่างกัน แต่ว่าผูกโยงถึงกันเราให้เจตเห็นว่าจะเป็นขันหรือจะเป็นสังขารหรือจะเป็นกิเลสหรือจะเป็นกามหรือจะเป็นกรรมอะไรก็ตามนะครับมันก็มุนวนกันอยู่ระหว่างกิเลสกับความทุกข์บางทีภาษามันไม่มีพอใช้ในชื่อที่เรียก ก็เรียกในภาษาที่เขาเข้าใจกันอยู่ในสมัยนั้นเราะฉะเราจรึงพบว่าคําบางคําความหมายมันครอบคลุมไปเยอะแม้แต่เหตุให้เกิดให้เกิดความทุกข์เนี่ยเราจะพบว่าบางทีทุกข์นั่นเองเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์บางที่กิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใกล้ๆกับตัณหาเป็นเหตุให้เกิดตัณหา ตันหาอย่างหนึ่งเป็นเหตุใเกิดตันหาอย่างหนึ่งหรือเกิดตัหาอย่างเดียวกันแต่ว่าเกิดคนละขนากันแล้วข้อต่อไปก็คือสััตจากกิเลสนิโรธจริงๆก็คือดับเลยแต่ว่าเกิดท่านพูดในแนวที่ว่ามันแมะมีตัวกระตุ้นให้เกิดกิเลสแต่ว่ากิเลส ก, ก็จะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลส แล้วก็ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ท่านายังเรียกว่าวิสังขารนิพานนั้นเป็นสิ่งเดียวที่เรียกว่าวิสังขารนอกนั้นก็จะเป็นสังขารทุกข์ก็เป็นสังขารสมุทัยก็เป็นสังขารมรรคก็เป็นสังขารแต่ว่านิโรธเป็นวิสังขารคือแม่มีปัจจัยปรุงแต่งในตัวของนิโรธเองนะแต่นิโรธก็เป็นผลเกิดมาจากมรรค เกิดมาจากความสมบูรณ์ของมรร ก, การดับไปอย่างสิ้นเชิงของกิเลสแล้วก็การดับไปอย่างสิ้นเชิงของความทุกข์บนสิ่งที่สัมผัสเนี่ยท่านเรียกว่าอมรุตรถออมรุตตะก็คือไม่ตายคือรถของความไม่ตายอันนี้ก็เป็นภาษาที่สมมติเชื่อมโยงเรียกกันมาเกี่ยวกับตำนานของพรามที่กวนเกษียนส ม, มุทร แล้วก็ได้อำมะลึกขึ้นมาได้น้ำอำมะลึกขึ้นมาก็เทวดาก็ได้ถูกเรียกว่าอมนเปา่าผู้ไม่ตายเป็นคำแรกที่พระเจ้ารับสั่งแก่พระปัญญวิชีอย่างที่บอกว่านิพานมันเป็นภาษาที่สื่อสารยากมันไม่ใช่ภาษาพูดมันเป็นภาษาใจใจคนต้องสัมผัสสัมผัสเอง คำที่นำมาเรียกจึงใช้สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่สามารถจะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ระดับหนึ่งแต่ไม่เข้าใจจริงหรอกคือผู้สัมผัสจมทั้งหลา ย, หลายให้รองสังเกตว่าไม่มีเราเข้าเราไม่มีที่จะเข้าใจได้จริงแต่เข้าใจได้เป็นระดับหนึ่งเป็นเราความของเรื่องเหล่านั้น จะเราพุทธนิพนธ์เป็นสุขเป็นสงบเป็นเย็นแต่เราก็สุขระดับหนึ่งซึ่งอนุมานเอาจากสุขที่เราสัมผัสไปหาสุขซึ่งเรายังไม่ได้สัมผัสหรือสงบเมื่อเราสัมผัสได้ระดับหนึ่งแต่ที่จริงไม่ใช่นินพนธ์ปณิพนธ์มันสุขตัวสงบเองก็เป็นตัวเป็นสื่อซึ่งสามารถสื่อให้เราเข้าใจได้แต่ว่า พอเห็นจริงๆมันคงจะไม่เรียกอย่างนั้นนะนะแต่ว่าพอสื่อสารกับคนมันก็ต้องเรียกโดยคําอย่างใดอย่างหนึ่งที่คนก็เข้าใจผีตัวมักสัตว์เนี่ยทั้งหมดที่เราพูดมาจะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา j สัมมากรรมตะสัมมาชีวะท่านบอกว่าขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารคือต้องข้ามกับสมุทยัยสมุทัยคือขางไว้ไอนี้ก็นําออก นำออกจากวัฏฏะสงสารเป็นเป้าหมายสูงสุดของความสมบูรณ์แห่งอริยมรรคทำหน้าที่เป็นญาณพาณะที่ส่งคนขึ้นตลิง่งแต่ว่าญาณพานะก็ไม่ได้ขึ้นไปด้วยนะก็คนก็ต้องทิ้งญาณพาณะเหล่านั้น แต่ในขณะเดียวกันตัวคุณธรรมเนี่ยก็ท่านมีอยู่มีอยู่โดยโดยธรรมดาของท่านสังสารวัฏนั้นถือว่าเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกอะไรๆมันก็เกิดมาจากสังสารวัฏนั่นแหละสังสารวัฏเองก็เกิดมาจากกิเลสแต่ว่าสมมวลที่ประธานท่านเรียกเนี่ยท่านจะเรียกรวมรวมมาวัดละ จะเป็นโทษรองวัตตะปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันมาจากวัตตะมาความ่าถ้าเราไม่เกิดปัญหามันก็ไม่มีหรอกการแก่ความเจ็บความตายก า, า, ารพรัะรากสูญเสียทั้งหลายาจริงมันไม่มีถ้าเราไม่เกิดคือเราวิ่งเข้าหาปัญหาก็ยังนึกอย่างนี้อย่างอย่างนึกอย่างนี้อุบัติเหตุที่เราวิตกกังวลกันในช่วงปีใหม่ก็ดีหรือปัญหาสิ่งเสพติดก็ดี S <S <an> คือมันอยู่ไรตัวมันไม่มีชีวิตเราวิ่งก็หาปัญหาเองบัติเหตุเราควิ่งาปัญหาขับรถเร็วเกินไปแล้วก็เสีบสิ่งเสพติดแล้วก็ประมาทมันก็อยู่แถวแถวเนี้ยนะมนุษที่ไหนเกิดบัติเหตุมันอยู่แต่แถวเนี้ยไม่อื่นไปจากนี้หรอก ปัญหาเหล่านี้เราวิ่งเข้าไปหามันเองเขาไม่ได้วิ่งม า, าเราสิ่งเสพติดก็เหมือนกันพวกอาบายมุขทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นคือสรุปว่า เ, าเยอะที่เราวิ่งขาหาปัญหาในลักษณะของแมลงเม้าที่บินเข้าหากองไฟเองแต่เราไม่วิ่งเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรเพราะวัวตถสงสารเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีทางสลัดออก จากวัฏฏะสงสารแต่ว่าเราไม่ยอมสลัดออกบางท่านที่เราไม่ชอบนะเราไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายการผัดผักสูญเสียความทุกข์ในรูปแบบต่างๆี่เราไม่ชอบแต่เราก็ไม่มีเครื่องที่จะสลัดตัวให้หลุดจากพันธนาการห้งสังสารวัฏล้วก็เป็นเหตุแห่งนิพพาน ท่านว่าเหตุแต่วัฏฐะคือในอัตถวเป็นเหตุแห่งป า, านิพานปานิพานเป็นนิโรธสตรัตว์นิโรธสัตว์มันเป็นผลคือผลที่เป็นเป้าหมายเราก็ไม่ต้องลงมือทําอะไรแต่เราธรรมะขั้มบูรุณมันก็ถึงเองเพราะนั้นท่านยังบอกว่าทําให้เห็นนิพานให้เห็นด้วยตาปัญญาเห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญา เห็นด้วยวิชาเห็นด้วยญาณ อ, อ, อะไรต่างๆก็เยอะนะฮะจากขุยานปัญญาวิวชาแสงสว่างกันแะแต่เจริญอันี้เป็นใหญ่ในวิมุตติญาณทัศนะหมายความว่าความสมบูรณ์ของอริยมรรคเนี่ยเป็นเหตุได้เกิดวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในความหลุดพ้น จากอานาจของกิเลสอานาจของทุกอานาจของสังสารวัฏแล้วก็เห็น น, นิพพานเป็นญาณนะทัศนะ์คือรู้เห็นว่าความจริงเป็นยังไงก็รู้เห็นอย่างนั้นอย่างในยะที่กล่าวมาแล้วในในสัมมาทิฏฐิที่นี้อริยมรรคในข้อต่อไปก็คือสัมมาวายามะ สัมมาวายมะแปลว่าความพยายามชอบหรือความพยายามในทางที่ชอบในข้อเนี้มันก็ทำให้สะดุดใจวันก่อนในฝั่งข้อพิปลายคือเรื่องพระราชบัญญัติอุปธรรมและคุ้มครองพระพุทธศาสนามันสะดุดอ่ะไอ้ใบคำนี้มันหลวมมากคือหมายความว่า เราปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คืออุปธรรมนี่คือคุ้มครองเช่นสมมติว่ า, าคนเขาเขาขาดสตางค์อยู่ห้าสิบาทแล้วเราช่วยเขาเนี่ยก็ถืออุปธรรมคือสนับสนุนส่งเสริมเพราะถ้าเราขาดสำนึกรับผิดชอบแล้วเนี่ยมันเล่นแบบสีตนนชัยได้ดังสองคำเลย มันไม่มีลักษณะกฎหมายก็ที่จริงเขาก็ใช้คำว่าต้องนะฮะต้องก็บังคับแต่พอเขียนก็จริงมันไม่ใช่อ่ะพอเขียนก็จริงมันมันนึกว่าเวลาเบาเนมันเหมือนกะมอนก็ปุยนุ่นหรือมันคนนกแหละแต่ถ้าทำงานด้วยจิตวิญญาณก็หนักแน่นดุบภูเขาเหมือนกันนะแล้วก็ทำให้นึกถึงสัมมาปะยะมามะเนี่ย น, นี่คือลักษณะอุปธรรมคุ้มครองเพราะลักษณะของสมาบัญญัติผู้เจ้าจะวางไว้ในรูปที่ว่ามองเห็นภายในรูปแบบต่างๆตลอดถึงในสังสารวัฏซึ่งก็สืบเนื่อมาจากกิเลสเพราะฉั้นกิเลสมันจะมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งก็คือที่ยังไม่เกิดประเภทหนึ่งก็คือเกิดแล้วเพตอนที่ยังไม่เกิดนี่เธอทำยังไงอยาให้เกิด นั่นก็คือหลักของอินเสียสังวรคือป้องกันตัวเขาบ้างป้องกันจิตเราบ้างถ้าเราสัมผัสแล้วเราก็ป้องกันเขาไม่ได้แล้วเราก็ป้องกันจิตเราย้ายจิตเกิดความยินดียินร้ายหมายความว่าพอาถึงจุดเนี้ยเธอมองอย่างไงเธอคิดอย่างไงแในขณะเดีวยดดวยกันก็ต้องตรวจสอบ อันตรายที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในภายในกิเลสที่มีอยู่แล้วในภายในปัญหาที่มีอยู่แล้วในภายในมันต้องมีการขจัดปัดเปา่ภาภัยอันตรายเหล่านั้นด้วยลักษ์ด้วยด้วยด้วยวิธีการที่เรียกว่าละความชั่วความชั่วก็มีสองอย่างที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันไว้ที่เกิดแล้วก็พยายามลดละเพราะนพอมาถึงระศาสนา เราจะอุปถมัมภ์หรือจะคุ้มครองนะฮะจะคุ้มครองก็ได้มันก็มีต้องป้องกันภัยที่ยังไม่เกิดแล้วก็จัดภัยที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งจะมีต่อาศาสนาบุคคลาศาสนาธรรมาศาสนสถาใหม่ก็าศาสนาพิธีในอีกส่วนหนึ่งก็คือก็เรียกว่า ภาวนาประธานคือท่านุบมุงความดีที่ยังไม่เกิดก็พยายามไม่เกิดขึ้นคือว่ากันตามความจริงความดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามีกำลังไม่พอตอนนี้ก็ที่สอนนักศึกษาคือพอดีก็ มันก็อยู่ระดับปัญญาโทปัญญาเอกเราก็สอนสบายหน่อยก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยอธิบายอะไรแต่เรก็พยายามเสนอประเด็นให้มีการคุยกันในการวิพากษ์วิจารณ์และมองดูธรรมะในจิตเขาเราก็ยกตัวอย่างธรรมะมาลองก็คิดดูสิมีไหมมีฮิริไหมมีอตตปะไหมมีสติไหมมีสัมปชัญญะไหมมีขันติไหมมีสุรจจะไหมนี่ก็เราก็ยกให้คิด แล้วก็เคยสังเกตไหมว่าจริงๆเรามีทุกขอ้อแล้วเราก็เคยได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แต่ว่าบางคราวเนี่ยเรามีไม่พอใช้มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเรามีแรงอยู่เรามีความรู้อยู่เรามีสตางค์อยู่เรามีฝีมืออยู่มีความสามารถอยู่แต่ปะถึงจุดหนึ่งเนี่ย แรงไม่พอความรู้ไม่พอสตางค์ไม่พอผีมือไม่พอความสามารถไม่พอทำไม่ได้ก็ไม่สามารถจะตัานทานได้เพราะคนนี้จึงต้องเหลือต้องมีเหลือกินเหลใช้ความดีทั้งหลายเนี่ยต้องมีมากเพราะว่าอารมณ์ที่จะกระแทกจากข้างนอกเนี่ย เราก็ไม่รู้มันจะมาแรงหรือมาไม่แรงยังไงเนี่ยไม่มีใครรู้ได้ดังนั้นจึงต้องให้มีให้มีมากเรียกอบรมกระทำให้มากก็ทําบ่อยๆก็ะทำต่อเนื่องกระทาจนเป็นญาณภาณาไปที่อาศัยของจิตใจแล้วก็ส่วนใดที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรียกอนุรักษณะประธานก็คือพ ร, รัรภพยายามรักษา รักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสือ่อมลักษณะขององค์ธรรมจะสงใช้เหมือนกันฮะสัมดังชเนติวายเมติวิวาาริยังารปฏิจิตังปัจกันหติปะดาหติหมายความว่าใช้ความพยายามมีความเพียรโดยจิตโดยโด ย, โด ย, โดยติดต่อแล้วก็ละบาปขาจัดบาปบำเพ็ญบุญนะสัมผัสความดีได้ดับใดรักษาจิตไว้ในดับนั้นให้ได้แล้วก็ลุกต่อไป เกต่าราเทียบมันคล้ายๆกับสงครามที่ทหารเคารพรับประทัดจับสึกในสงครามบางส่วนหนึ่งก็คือตั้งรับบางทีมันรุกมาแรงเราต้านทานมอยู่ก็ร่นร่นเพื่อเตรียมรุกนะฮะอย่างน้อยต้องยันไวให้อยู่ไม่ใช่ร่นจนจนทัดแตกแตร่นเพื่อจะยันไว้ก่อนแล้วก็ปรับสภาพใหม่เตรียมรุก รุกหนึ่งก็รุกเท่าที่รุกได้เท่าๆทเท่าๆ ท, ท, ที่เราจะรุกได้แล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่ารถแตกหักกันการต่อสู้กิเลสภายในจิตเราเนี่ยมันจิตกลายเป็นสนามรบจึงบางครั้งพระพุทเจ้าสรงอุปมาเป็นกายนครมีพระญาจิตราชเป็นใหญ่คือมีจิตนี่เป็นใหญ่ แล้วก็บ้านเมืองก็มีประตูทางเข้าออกอยู่หกทางด้วยกันบนไ อ, ไอ้ด้านประตูเมืองเนี่ยต้องเข้มแ ข, แข็งมากถ้าปล่อยให้ก็ลุกมาได้พระยาจิตรราชเองก็ต้องเข้มแข็งแต่ไม่งั้นโอกาสจะพ่ายแพ้ก็เกิดขึน้น ทีนี้ประการต่อไปก็ส่งแสดงเรื่องสมาสติตัวสมาสติในหลักการสำคัญเราจะเห็นว่ามันก็คือใช้ใช้หลักของจิตสิกขากับปัญญาสิกขาเนี่ยแต่เราดูตอนตอนต้นของพระสูตที่ที่กล่าไว้ในวันแรกๆเนี่ยทรงใช้คำว่า อาตาปีสัมปชาโนโลสติมาวินยะโลเกอภิชาโดมานัสังอาตาปีก็คือมีความเพียรที่เป็นไปทางกายทางใจอย่างแรงกล้าสามารถเผาทําลายกิเลสได้เกิดความ ร, าร้อนร้อนเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือสัมมาวายมะแต่เป็นความเพียรที่เอาจริงอาจังปุถุจ้าก็ประงค์เป็นต้นแบบให้เราเราก็เดินตามไม่ ท, นทันนาทีนึง คือของพระเจ้าแบบสละชีวิตลงไปเลยจะุรวงกรหมาประทานที่ทรงตั้งไว้ว่าแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเกลื่อนแทงไปยังเหลือแต่นางเอ็นกระดูกก็ตามถ้าหากว่าไม่สามารถสัสรู้ได้ด้วยความเพียรพยายามของปรงุงแล้วก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากอาสนะที่ประทับเป็นเรือความเพียิที่แรงกล้า ในขณะเดียวกันก็สติมาสติมานี่เราจะเห็นว่าไอ้อาตาปีกับสติมาเนี่ยสติมาก็คือความมีสติก็คือสมาสติก็คือสม า, ส ต, ส, มาสติที่ตั้งสติระลึกอูรู้อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเพืมุ่งไปสู่สมาธิแล้วก็มุ่งไปสู่ปัญญาในขณะเดียวกันก็มี เรศสัมปชานะคือความรู้รัวทั่วพร้อมก็คือสมาธิสิสมาสังกัปปะก็นี่ก็นำไปสู่สมาธิก็ในสมาสติเราจะเห็นว่ามุ่งไปสู่ความสงบในด้านจิตคือมุง่งมุ่งไปให้จิตสงบ จากนิวรธรรม ท, ทั้งห้าประการแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสังขารทั้งหลายตนที่ทุนใช้คำว่ากายก็สั์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เรียกว่ากายานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐาน พทั้งเวทนาก็พูดในธรรมนองเดียวกันเขียนว่าเวทนาก็สั์แต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไ ม, ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพะจิตธรรมะก็จะมองในลักษณะอย่างเดียวกันมันก็กลายเป็นว่าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยมันไม่มีทั้งตนและของที่เกี่ยวเนื่องโดยตน้น ไม่มีทั้งเราแล้วก็ไม่มีทั้งเขาแต่ว่าการปฏิบัติพัฒนาจิตให้เดินไปแต่ละขั้นเนี่ยมันยากทั้งนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเหนียวเหนือเลยกว่าจะขยับเขยื่อนไปได้ลองสังเกตว่าเราขยับจากความเป็นเราเป็นเขามายอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันแล้วไม่ล่วงละเมิดกันซึ่ง เป็นข้อปฏิบัติระดับศีลหรือระดับกฎหมายหรือระดิบระดับที่เรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราก็คืจริงแล้วเราก็เดินไปได้ยากทำให้สังคมนี้ ม, มากไปด้วยปัญหาสารพัดปัญหาเป็นอันมากไม่จำเป็นจะต้องเกิดแต่ว่าเกิดเพราะว่ากิเลสมันวังคับกุคุมใจของคน ก็นำไปสู่ปัญหาอีกไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรจนบางครั้งบางคราวก็กลายเป็นมรดกก็ถือว่ามรดกบาปอย่างแม้แต่บาปผิดพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคในสมัยเนี่ยแล้วก็เราก็ได้ใช้สอยประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นดูแล้วดูสะดวกสบาย แต่ว่าพอเป็นเศษที่ต้องทิ้งเนี่ยมันกว่าจะย่อยสลายได้มันเล่นกันเป็นก็เรียกว่าสตวัตคือสามสี่ห้าร้อยปีฉันดูตัวอย่างว่าถุงประสติกเนี่ยมันก็ต้องเกือบห้ารอยปีถึงจะย่อยสลายได้แต่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยคือเราให้ความสาคัญแก่ตัวตนเรา ก็ปลนปลือตัวเองกันด้วยประการต่างๆแต่ว่ากลายเป็นมรดกบาปที่รุ่นลูกหลานจะต้องประสบก็กลายเป็นบรพิัปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆีิการจะก้าวเดินไประดับของจิตสิกขาให้ลองสังเกตว่าแนวจิตสิกขาเป็นแนวที่นันพัฒนาจิตมาอยู่ในจุดหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานของจิต มันรู้สึกว่าเป็นเรากับพวกเราและเป็นของเรากับของพวกเราใจิตใจจะมีความเอื้อทอนห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็มีการสงเคราะห์ออนกรกสงเคราะห์นุเคราะห์กันโอปอมมารีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อกันแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเข้าถึงความสมบูรณ์การมองเห็นว่ากาย ก็สักแต่ร่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยคือจิตมันต้องพัฒนาขึ้นไปมันไม่ใช่ท่องเอาแบบอาขยานคือจิตต้องเห็นทีนี้การที่จิตเราเห็นเนี่ยปัญหาว่าคนที่เราเคยมองเป็นเราเป็นเขากับเป็นพวกเรากับเรากับพวกเราเนี่ใ น, นเมื่อเราสลัด พยาผ่านนาการทรงนั้นออกมาได้เราก็อยู่ในโลกอย่างรู้เท่าทันถึงความจริงในความเป็นสมมติก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสมมุติแล้วก็ไม่ถูกเทียงกันในเรื่องสมมุติเพราะเราก็รู้มันไม่จริงคือเทียงไปก็เปล่าประโยชน์ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาและในขณะเดียวกันก็ สามารถคล้อยตามบุคคลอื่นโดยไม่จําเป็นจะต้องไปขัดแยง้งในเรื่องสมมุติเท่านั้นในขณะเดียวกันก็มองคนได้ยังหลวงยุติบในสมมุติในสัตว์ในชีวะในความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาหรือว่าเราพวกเราเนี่ยด้วยความสงสารด้วยความการุณาเพราะพัฒนาจิตตรงนี้ที่จริงก้าวไปอีกขั้นนึ่งมันจะยากมาก เพราความเป็นเราเป็นเขามันจะเหนี่ยวรั้งจิตเอาไว้คือสาดใดที่ตัณหามานาัติฐิมันไม่ลดเนี่ยยังไงยังไงก็สัมผัสได้ยากดังหลักการปฏิบัติในตอนต้นๆที่ทรงแสดงเอาไว้เ่าต้องขจัดอภิชาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้แล้วก็โทมนัตก็คือโทสะหรือความทุกข์นะฮะทั้งสองอย่าง ที่เราประสบความทุกข์เนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะให้สิ่งซึ่งเราต้องการเป็นไปตามที่เราต้องการแล้เวเกิดเป็นความทุกข์ไอ้สิ่งที่เป็นเหตุที่จริงมั น, ม, นมันมีโลภะอยู่แต่โลภะถ้ามีการตอบสน อ, องมันก็เกิดโลภะต่อเกิดตัณหาต่อ เกิดการมาติหาเกิดราว่าติหาต่อแต่ว่ามันไม่มีการตอบสนองก็กดโศกะหรือว่าทุกขหรือว่าโทสะคือถ้าเราทำอะไรไม่ได้มันก็เกิดโทสะคือถ้าทำอะไรไม่ได้ก็จะเกิดโศกกะนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในวิสัยทาได้เนี่ยมันก็จะออกมปในรูปของโทสะแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงในด้านต่าง พันหลักหลักการสาคัญในชีวิตประจําวันที่จะดำเนินไปบนเส้นทางของอริยมรรคหรือเส้นทางของไตรจิกขาเนี่ยตการใหญ่มันคงอยู่ที่การมีสติระลึกรู้ถึงสิ่งที่เราสัมผัสแล้วก็ปรับจิตอย่าให้ไปเกิดโลกกรุดหลงขึ้นในอารมณ์เหล่านั้น ให้มีความยินดีนยร้ายน้อยลงเฉยๆซักบ้างแล้วเข้าใจความจริงของสิ่งเหล่านั้นสะบบางคือจะรู้สึกโปร่งเบาขึ้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปทีนี้ใจมันต้องสงบเลยถึงจุดหนึง่งก็กลายเป็นสมาธิเป็นสมาสมาธิ สมาสมาสมาที่เป็นผลสรุประดับของจิตสิกขาหมายความว่าเราใช้สติสัมยาความเพียรประพฤติปฏิบัติทำจิตสงบอยู่ที่กายก็ดีเวทนาก็ดีที่จิตก็ดีที่ธรรมะก็ดีนะฮะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความสงบจากนิวรณทั้ง5ประการก่อนนิวรณ์ทั้ง5ประการเราก็เจอบ่อยเหมือนกันคือตามปกติแล้วเราจะเห็นว่า กิเลสที่เราเจอบ่อยเนี่ยแล้วก็เจออยู่ในชีวิตประจำวันมันก็คือเรื่องความยินดียินร้ายเนี่ยจะมากความรักความชังเนี่ยจะมากพอ ร, รักมันก็ไปเพิ่มปริมาณกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะขึ้นแล้วก็โมหะก็จะสูงขึ้นเหตุผลสติปัญญามันจะลด แล้วถ้าชังกิเลสสายโลภสายสายโทสะก็เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นไอโมหะมันก็มากยิ่งขึ้นตามไปก็เรียกว่าขึ้นด้วยการก็ลดด้กันเพราะปัญหาบางเรื่องเนี่ยคือยังยังมองว่าโอกาสโอกาสในการสอนหนังสือเนี่ยคือนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้เธออคิดวิเคราะห์อะไรต่ออะไรมันก็ยาก เพราะว่าพื้น ฐ, น, พ น, พนฐานของเธอยังไม่พื้นฐานของเธอเนี่ยไม่สูงมากพอแล้วก็แม้แต่ในแวดวงของนักศึกษาธรรมะเนี่ยที่โบราณเขาห้ามพูดเรื่องศ า, าสนาเรื่องธรรมะก็ะบอกว่าธรรมะมักจะเป็นธรรมมวยเพราะอะไรส่วนใหญ่มันจะเกิดเป็นทิฏฐิ แล้วก็อยากจะให้คนอื่นเห็นตามคล้อยตามตัวเองถ้าไม่เห็นตามคล้อยตามตัวเองก็จะเกิดโทษะแต่แทนที่จะเอาธรรมะเป็นฐานในการวินิจฉัยเนี่ยเอาความรู้สึกตัวเองเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยเลยหาจุดที่พบ ก, กันยากโอกาสที่จะก้าวไปสู่สมาธิเลยยาก เพราะอะไรเพราะว่าในความเป็นสมาสมาสมาธิเนี่ยมันต้องซึ่งบความคิดระดับพิจิงก็คือยินดียินได้แต่ว่าก็ทรงจำแนกแสดงเรียงระดับลงมาตามโครงสร้างของโลกกุตรลงคือจิตจะไม่สายไปด้วยอำนาจของกามฉัน คือเนี่ยนึกตึกนึกเดือมนาดของความใคร่ในสิ่งที่ตัวเองใคร่ไม่ใส่ไปเดือมนาดของความอาฆาตพยาบาทในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบในคนในสัตว์ตามปกติก็จะเป็นคนเป็นสัตว์แต่ก็นิยายไม่ค่ได้หรอกคนเราบางคนก็ฝนตกก็แช่งฝนแรงก็ด่าคืแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตเี่ยเขาก็โกรธได้แล้วก็ เนืสนะของฉีนมิธะก็เป็นอาการทางจิตที่มีความม่วงเหงาหานอนซึ่งซึมง่ายเหงาหดหูแล้วทัากุกุจจะคือฟุ้งสัน้นจนถึงระดมคาญแล้วก็ความคลึ้บแข็งสงสัยแต่ยางที่จริงก็เป็นอาการของโลพะโทสามโมหะแต่ว่า มันไม่ล้นออกมาจนผิดศีลเดี๋ยวเกิดขึ้นรุ่งรุมใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจเจริญสมาธิหรือทำจิตให้ส ง, งบจากความคิดที่เป็นกิเลสมันก็อยู่ที่การฝึกสติมันไม่ใช่ว่าต้องนั่งหลับตาภาวนายุบหนอผ่องหนออะไรอยู่เรื่อยๆคือมันอยู่ที่เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ในแต่ละขณะ จะยืนจะเดินจะรัางจะนอนจะเคี้ยจะกินจะดื่มจะเลิยมจะชิมอะไระอะไรก็ตามก็มีสติระลึลกรู้ท่าทันอย่างแนวสัมปชัญญะปัปะหรือว่าแนวของอนาปานสติหรือว่าแนวของธ า, าตุสี่หรือแม้แต่แนวที่ดูเวทนาดูจิตแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นการใช้สติความเพียสรสัมปชัญญะเนี่เป็นหลัก ตนน้นแนวของอริยมรรคมีองค์แปดประการเราจะเห็นชัดเจนนะฮะว่าระดับของศีลสิกขาคือสมมาวาจารสมากัมมันตะสมาอาชีวะเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันขรับรบสิทธิและสถานภาพของกันและกันระดับของสมาสมาธิ มันก็คอเกิดความรู้สึกเป็นเรากับพวกเรามีเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยจนถึงเบคาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในระดับพอสมควรแต่ว่าตรงนี้ต้องต้องต้องระมัดระวังเหมือนกันโัการที่จิตจะแกว่งแกว่งไปเป็นพวกอคติเนี่ยมันจะแกว่งได้ง่ายเหมือนกันผลเมตตาบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เมตตาแต่เป็นฉันทากติ แต่เราก็ขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบคือต้องทดลองอีกทีหนึ่งอ่ทีนี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นสมบูรณ์อย่างน้อยนะอย่างน้อยเนี่ยยอมรับความจริงของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาประโยชน์จากสิ่งเหล่า น, นั้นให้ได้อย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ ด้วยบาลีสั้นๆสองบรรทัดว่ายะถายะถายัถาและเพธอัตถังตถาตถาตถาตถาปรักกระมยยะประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดๆในอารมณ์ใดๆในคนในสัตว์ในสิ่งใดๆกระตายก็ให้ใช้ความพยายามใช้สติใช้สัมมัญญะใช้ความเพียรในที่นั้นๆโดยวิธีที่ จะให้กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ยค่อยๆลดความรุนแรงลงไปเป็นลักษณะขัดเกลาจิตไปโดยลำดับก็ไม่ใช่คาดหวังว่าจะมารู้ผลสูงสุดในเวลาปุ๊บปั๊บรวดเร็วทันทีทันใดแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความพยายามอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอเนี่ยว่า อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยธรรมะควรจะเพิ่มขึ้นเพราะแสดงว่าชีวิตเรามันน้อยลงอายุมากที่จริงอายุน้อยคือชีวิตเรามันก็สั้นมองไปข้างหน้าเนี่ยก็เห็นความตายรออยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้อะแม้จะมองไปไกลๆเนี่ยนะมันก็ไปไม่ไกลเท่าไหรอ่อ่ะเพราะอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องตายในที่สุดต้องฟังทั้งหลาย เสียงธรรมจากมาวิทายาสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงทนันทีพิสุนี้ขอความเจริญององามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี